นี่มีภายในภายนอกนอีกเดือนหนึ่งมาอีกแล้วปรับปรุงใหม่โยมอย่ยาถ่ายรูปหน้ามันวมกวนมันเกินเสียสมาธิจิตมันจะดับป๊อเลยเวลามีสิ่งใดมากระทบไปไหนละเมื่อกี้นี้อ๋อถึงเดือนก็มาส่งกันบ้านอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนวิธีแล้วมาทำแบบนี้ก็ผิดอีกอะวิธีไหนก็ผิดนะอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลย จนวันหนึ่งท้อใจนะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านนั่งรถทัวร์ไปนะไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันไม่ปฏิบัตินะใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นไปถึงกระบี่ตอนเช้าเรนะือไพระอาทิตย์ขึ้นนะใจก็โผล่ขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยพบว่าจริงๆเราง่ายง่ายนิดเดียวนะเราบอกง่ายนิดเดียวบางคนบอกยากเยอะหาเรื่องเฉียงไปเรื่อยๆ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 นะของหนูยังบังคับอยู่หรือเปล่าคะมไม่ได้บังคับ ย, ยังบังคับแล้วประคองด้วยปะคะว่าประคองไหมล่ะ อ, อถูกได่หลวงพ่อต้องถามเพรา อ, อะไรเจ้าตัวต้องเห็นเองไม่ใช่ให้หลวงพ่อเห็นให้ะเราต้องเห็นสภาพระด้วยตัวของเราเองถึงจะทำวิปัสนาได้แต่ถ้าเราหลวงพ่อบอกให้ไปเรื่อยๆนะเราไม่เห็นเองใช้ไม่ได้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 ธรรมะมันเป็นตามคนฟังผู้กํากับส่งกันบ้านหน่อยเอาไมโครโฟนออดีดีเดี๋ยวยังไม่หมดเลยยังไม่หมดค่ะอะวาดไปอย่างยังเวลาอดูเนี่ยค่ะจังหวะที่พอเราเห็นแล้วเพิบสติเกิดมันก็คือแวบเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประคองแล้วะะอ่ะก็ให้รู้ไปแล้วก็เริ่มอัดแล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอกอ็จะ<ต> ไ, ได้ก็อยากไปฝึกไว้เอง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 หรวพ่อโดยตัวเองนะสังเกตดูตั้งแต่เด็กเ็ดขวบจนอายุ29ทาทำแต่สมถะมีความสุขพอ29มาเจอหลวงปู่ดูลไม่ได้เก็บกดอย่างเดิมละหูกระทบกระทบโลกนะจิตซึ่งมันมีแต่ความสุขมานานกระทบแล้วมันรุนแรงนะรุนแรงเราไม่ตกใจเราตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูไปหรือเวลาที่เราทำงานเอกสารนานๆคิดงานเป็นชั่วโมงชั่วโมหัวหมุนไปหมดลดูจิตไม่ได้ดูกาย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 สภาพจิตผมดีขึ้นไหมครับดีขึ้ น, น, น, นครับตูค้ครับน่าคุณแต่คุณแตะมากเลยเอาไหมมีไหมอ่ะส่งไปทะโนน <c oughs> ก็รู้สึกงานยุง่งนะคะที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าจิตใจ <c oughs> งานยุ่งก็ช่างมัน<ภ>ใจไม่ยุ่งก็แล้วกันเวลาเราต้องคอนเซนเทรตกับงานแล้วก็ตั ed, ้งใจทำไปพอขี้เกียจรู้ทัน ปัญหาใหญ่ของคนทำงานที่ทำแล้วไม่มีความสุขนะคือเบื่อไม่อยากทำงานอนะ่ะถ้ารักงานนะจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะฉะั้นเราพยายามรักงานคุณแตมเป็นสถาปานิกออกแบบอะไรสวยๆงามๆนะเสร็จแล้วเห็นสิ่งที่เรารังสรรค์ขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาสวยงามภูมิใจมีความสุขพยายามรู้สึกอย่างนี้พอเรารักงานเราก็อยู่กับงานได้หรือเราเลี้ยงลูก ลกมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ลูกเจ็บป่วยนะเราดูแลถ้าเราได้ดูแลคนที่เรารักเราก็จะมีความสุขทำ ใ, ใจอย่างนี้เราั้นไม่ว่าเราทำอะไรเราก็มีความสุขได้อยู่ที่การวางใจเพราะนันวางใจให้สบายวางใจให้ดีแล้วมีความสุขก็มีความสุขแล้วเราก็มีเรี่ยวมีแรงรู้กายรู้ใจไปอย่าดารงชีวิตด้วยความหดหู่ท้อแท้นะ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 ม, ห า, มาหัดทำวิปัสนาอยู่แปดเดือนเองอันได้แดเดือนเอ๊ะเจเดือนเจ็เดือนเองเดินยิ้มอีกแล้วยิม้มเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในทำเนียบเลยว่าอิตานน่มันยิ้มทั้งวันช่วยไม่ได้คนมันมีความสุขนเห็นโลกเป็นทุกข์นะแล้วมันมีความสุขเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แล้วมันมีความสุขถ้ากายกับใจเป็นทุกข์แล้วเราไม่อยากให้มันทุกข์อันนี้เราถึงจะทุกข์ด้วย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 ลองไปคุยกับคุณดำเกิงคุณดำเกิงนละผมขาวๆพูดเท่าเนะี่ยใส่แว่นเล่นชานมานานนักหนานะลองไปคุยดูเพราะว่าผมมีความเห็นว่าการที่จะบรรลุอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มีชานเนี่ยมันจะมันจะไม่ถูกต้องในขณะที่เกิดอริยมรรต้องมีชาเนแต่แตคนทําชาไม่เกิดอริยมรรต์ไม่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอริยมรรตแต่ว่าเกิดชาแต่ก็มันก็จะไม่ได้ผลของชาเนี่คือมัน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 ลดราคาบ้างได้ไหมครับผมบางครั้งก็เห็นอัตราตัวตนของคนที่แบบขับรถเบนซ์อะไรเงี้ยเขาแสดงอีโก้ออกมาแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็ดูไปหน้าเหน็ดอนาต <c oughs> <c oughs> แล้วเราดูไปแล้วก็รู้สึกภูมิใจหโหกูเก่งไหมกูดูมึงออกแนละ้ว <c oughs> มีเหมือนกันครับเ <c oughs> นี่ยดูของตัวเองนะครับผม <c oughs> ว่าแต่ดูอีกโกคนอื่นคือบางครั้งผม ผมหัดทำผมคิดว่าต้องต้องดูที่มือว่ามือยกไปแล้วรับตังค์มัเม<า>นะเสียเวลามันชักช้าไปมัวแต่ยกจะถอนตังค์เท่าที่ยก <c oughs> ถ้าเรียนครบหลักสูตรแนละ้กวก็จะยื่นตังค์ได้ชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ช้าไปไม่ทันกินออครับผมขอนะบคุณมากครับอ้ามีใครอีกไหมมีใครอีกไหมไม่มีจะได้เลิกเอาวันนี้พอละ